มาจะมนตัวแทปูกูแทะไปจางไหนพาเขาค่ยต้มฉุนเขาของกูเอาไปใส่หม้ม่อแทปูักแท้เาั่กับพอเาสัางรักไปอขาสั่คนมาไจะตัวกูแทะสั่กับพ่อเขาสั่งตัวไปกูจะมาเป็นคนดาใบแค่จิตดพิดมนุษย์หรคนหประสาทดแต่ตื่นยงยงเงียตสะดุะะ้งถวะาย เป็น่คนคิดกับพาะถอดชรล่ักษาสิดนักศึกษาจะข้องอะไรนะนักรักษาสมัิจะข้องเลยสมัดจะข้องกัคดีนี้เลยสมัมิจะข้องกัคือท่นออาน สมัติเจ้าของคือภาวนาสมัติเจ้าของคือพุทธธสงฆ์สมัติเจ้าของคือความบุนดีสมัติคนจนคนั้นคือควาพุญส้วต้วมาทำใครอครอกมอาล <c oughs> วูไปเห็นไหม ในข่าวในข่าวญี่ปุ่นโลกหลา้างทางหลายเนี่จะม่คิบใจอยากไปญี่ปุ่นเลยเขาจะให้ถ้าได้รอถ้าไดโกดไปจะไปไม่ไดเข้าไปต้มท้า น, นละตูวไส้เขาก็ตุมเือกันตัวยิงเขากระตุมเือกันมานืิดน้อยเดี๋ยวนะเพะหรือเขาจะต้มไปจักแล้ว มาจะพิดน้อยเดี๋ยวเราบอกผู้กระโดดนาต่างตายก็นนี่พู้ยาพู้ยิ่งกระโดดนาต่างตายก็นี่เข้าไปเห็นเข้าขบวนผู้รับนังซื่นเพลินแล้วข้าเจ้าออมาข้าเจ้ามันถิ่มใหม่หามันอ่านอ่าน้วเอาจะสอนลูกสอนหลานโธ่มาได้บาได้ไปมาได้แค่ห้าวไปต้มกันทุกคนไทยนี่ยไปต้กันทุกคนาะ แก่งต้มญี่ปุ่นเขาเขา็งปได้ต้มคนใดรอกคนไทยหอเต้มกันคือจีฮึปนกันยุได้กรุงเทพนี่แล้วเขามีแต่คนอนภาคอีสานจะเอากันเป็นชวนมาคนภาคกลางกขมียอะเนาะมีเยอกันภาคกลางกขมีเยอหลวงชงซาน สร้างความดีมาจะเป็นที่เฟืองของเจ้าของผู้นั้นหลีบสร้างความดีมาเป็นที่เฟืองผู้นั้นเป็นคนเม่เป็นคนงโผู้นั้นเป็นคนบ่ประมาทเป็นคนบม่อประมาทชีวิจาของชีวิจาของเมีคากันทำความดีต่ละวันละวันเว่าทำความดีตะละวันะวันีวิจาของกับเมียนคาทำควดีนะพระพุทธศาสนาเนี่ย ยึจะของกขารไปชื้อๆคณะคิจคณะใจกขาร้ไปชื้อๆวันนี้ฉะนั้นจะใครคณะกิจคณะใจคณะเวลาวันขึ้นไม่คาเนี่ยก่อเหตุนี่ยชีวิตจะของไม่คาเนะ่ยคิดใจจะของไม่คานี่ยยังว่าท่าเป็นคนมัดมดหวังเนี่ยยังม่หวังสิทำดีใจอยู่เป็นคนมดคาได้ไหมก็มาบ่มีวิชาสิ่งใดทำดีเลยมัดคา กโดดหน้าต่างตายนอย่างหนึงรับแขกบาไว้ยกระโดดหน้าต่างตายให้ถ้าพอกินพ่อใส่พิสาดึงไว้นี่นเข า, าเาขาบ่กรับแขกกับตี้เขียนสามวันน้ำกลับไปสิยยายเฮาเป็นพระรองกองก้อยทําบเพื่อตำรวจกับเพิ่อน อ, อะไ เ้ฮาพูดภาษาเขาปเปลี่นแห้งไปแบบไงภาษาอังกฤษเปลี่ยนแห้งไปแบบไงชิดเบียดอยู่ฝั่ง น, o น้าจะโอ้เอาคนิ่งหาคนวะสองตังจะตังแม่ในมือคอยทำเอาไว้ันวะ ถัวมันหัวเหรีย ว, ว่ารักษาสามป่ายหายสามโซดคุณาปไป่ายตีนป่ายมืดป่ายคิดป่ายใจใจสำคัญความผคนดีบาหวางังมาหวังดี เ ร, เรียกว่าทั้เจ็บทั้ใจว่าหาเป็นขอไม่คุณนคาทั้งปวดเนี่ยเป็นข้อไม่คุ้นาทั้งปวดเนี้ยเป็นคนไรฉลารคการปกักษาจิตแพทีท่าเป็นเจ็ดนี่มีรักษาตลอดจิตีสใต้าเป็นได้ยกขึ้นข้าปรารถนาข้อปรารถนาเป็นได้ นะครับสิบแปดปัจจานาเนผู้ทรายเป็นได้เยอะเป็นผู้ทรายก็เพว่าเป็นผู้ ย, ยิง่งก็เพว่าปัจจานาให้มันผลทุกอะไรอย่างนี้มันไปอยากเป็นตายอยังผู้ทรายถู ก, กคือตายขึ้นเขานาะมีผู้ทรายก็ถูกขึ้นกัน คนผู้อยากเป็นเขาไม่อหบ่ผู้ยิ่งมันกับเขาูพย่านใดคือกันเขาไปก็มนหอที่หนาลมี่านดโอยดทังนั้นดงนันไปึ่่านใดทั้งนั้นบ่เสยมากเปลี่ยนเพศได้เขอสั่นผู้ใดจะไปพยี่พ่านมาเปลี่ยนเพศตะกันเด้อทรกัณเาได้บอกนะว่าหายมาเปลี่ยนเพศแต่พูดเสีหวังเปลี่นภาพปัจเจกกับพระธมราชุทเก่า อยากมาเปลี่ยนเพจเพระพระปัจเจกกับพระสมานพระพุทธเจ้ามันต้องเพจผู้ทายเลยโดนเพจผู้ยิ่งเลยขันทา่าไว้จากมาเปลี่ยนเพศ ม, ม, ม, มาเป็นพระปัจเจกพระสมานพระพุทธเจา้าเอจาอธิษฐานมากินสมบัติอยันผู้ทายาไม่เป็ทุกข์จตายเท่านั้นจเดีย ว, วไปชปดูพรนิผพานโหลดไปสิีตัวเขาแม่ของพระ อ, องค์เจา้ากัานทไปพร้อมพระชี้ยามีแตตาย มาปรารถนาเป็นแม่พระเจ้าหาพระองค์เนี่เป็นมาแล้วซีพระองค์นะเป็นแม่พระเจ้าเนื่องพระพระเชียเมตใจถ้าเป็นแม่พระเชียเมตใจเองแหละครับเขาสู้คนผ่านพรถ้าเชี ย, ยร์เมตใจเนีาสตร์นะศาสตรเดียวกันก็บลูกได้ กระจ้างมันไอยู่นั่มังี่ละจ้างให้มันยูน่มนั้นอ่ะนั่นอันนี้ยงเพิ่มธาตุน้าจ้างให้ธาตุธาตุจ้างให้มันยูนันนนนนนนน่คือเรียกหน่อยล้วร่ากายออ ย, ยุ่ผมีักระเวเงิขึ้นเนื้อหนังเอาน้ามให้กินเที่ยวเขาเอาเขาให้กินมือ้กินมือเท้าขอเขามือตัวหนึ่งสองเท้สามเท้อ พอเธอทส้นหาเธอซื้อเส้นแปกันัสองเื้อะไรอยู่้นสองเทืออะไอยู่สองเียงตับไปเ็ไ้อซื้อเส้นแปะระดับฝากให้มันดียังไมกินอาหารขันไม้กินอาหารด้วยล่ะไปกืนกินน้าเนี่ยเหมือแรงนะมันเป็นอาวัตรเส้นแปะมั น, นมันดางมันพ่อยเพราะเส้นคอนี่ข้อวิคาละโพนี่ฉันอาหารในเวลาอากาศเนี่ยเป็นขี้ขับวัดเมือไม่เจต า, าเลย เป็นอาคิดตะก้เฮ้ยภาวนานี่จับอันนั่นแหละสิ้นมันไปรวมอยู่บนภาวนานย่าพ่อๆอน่าท่ามันก็ร่วมอยู่บนภาวนานย่าพ่อพน่า สมาธิมันก็รวมอยู่บนเท่าภาวนาภาวนาสีมันก็รวมอยู่บนเท้าภาวนาภาวนาธาตมันกิรวมอยู่หันมันเกิดร่วมบนหลัร่วมอยู่บนเท้าเพลงภาวนาอยู่มรดกเขามันเหตุเขามันอะไรผลเขามันะรร่วมอยันพระพทธเจ้าทั้งหลายกับร่วมอยู่หันพระธมทั้งหลายกับมร่วมอยู่หันพระอริยสงฆทั้งหลายกับมรวมอยู่หันมกคนความทั้งหลายกับรวมอยู่บนเท้าภาวนาบอกสัตว์ร่วงว่าบนเท่าเพ่งด้วบนเท่ากำหนดจ้คือกำหนดลงท้าจากเขาออก ก็ทบันไดราตั้งหลายวหันพระทธธมประสงค์กับบัหันบนด้วยบนสติกับธรรมภชญาพระพทมประสงค์รสศาสต์ของธรรมะกบโยบนกับสติกับสรมภชญาบนูตัวันรสาต์ของธรรมะลมหายใจเขาออกนี่ไปเจริญดีแล้วกายและจิตของท่านผู้นั้นเขาไม่หวั่นไหวนรพุทธเจ้า ปู่มื่อคืนยังผิคนบ่าไข่พาวนาเนี่ยเนังพัวพ่องงี้ยเงือบไปว่านนี้ยังตบตุ้พอพอบง ล, งลงสีรุนกค้นพคางเหินจากพา่อวา น, นาตัวเคยเป็นเด่น มันจัลาะหเลอะนจันเนตเว้นนนองในน้อท่านคนในจันเนเนตเลาให้ฟังเดินกลบไปดีๆว่าท่านพาตะขดเอวไปมพาตะขอดไม้กันพอรุดลงมาตะขเต้นลง่าน่ัน่นหยอกแข่งท่านโตไปหัวเน่หัวเลาะคนว่โดนเปลี่ยนอีกระตอะไรต่นั้นแต่นั้นมากับพวกิเชียดอกตะขดเอวมันจยักมือเด้นนะคไปยาไป่า ไ่ได้ผูก เ, เงินยไผรอดเนีผูกทบมวยเยคือผูกทบไว้มันจะลดลงที่ลดลงเกี่ยวขาที่บ้า น, นต้ดดงลวเลยเราทอนงูกเกี่ยวขาตัวเขาเปลี่ยนเช่นหนึงเป็นนักสูงของเราเพื่นหนึ่งละเดี๋ยวนีกว่าเป็ีนอกเดียวเนี่เอาแล้วเนาะวันนี้นเนาะที่เขาแบบแยกขาจะพูดกั น, นก <Okay. S 1> เนาะคนบาพูดคนดีมาหวัง บ่วงวังดีเขาเรียกว่าทําเจ็บทํางใจว่าหยเป็นขอไม่คุนคาทําตัวเนี่ยเป็นข้อไม่มีคาทําตรวนี้ยเป็นคนไรชะละรการคือักษาิแปดมือถ้เป็นเจน่ารักษาตลอดชีนตาตหับเป็นได้ยกขึ้นข้ปรารถนาะข้ปรารถนะ า, านเป็นได้ นะครับชิ้นแปดาัตนาเป็นผู้ทายิงได้เยอะผู้ท่ายกเพรว่าเป็นผู้ยิงเนาะเพาะว่าปัตนาให้มันผลทุกไลน์อย่างสิ่นี้มันเปอยากเป็นตายอย่าผู้ท่ายทุกขตายเขนผู้ท่ายก็ทุกขึ้นกันคนผู้อยากเป็นเขาไม่เอาน่เบ่ผู้ยิงมันกัเขา่พน่าพันได้ึกันเข้าไปกมาเอ้ โอ๊ยได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นไปพ่านได้ทั้งนั้นเสสหนาโาเสมาเปลี่ยนเพศได้สันทูไดสไปพพานมาเปลี่ยนเพศตะกนเด้อพระพุทธเจ้าเขได้กนะว่าหายมาเปลี่ยนเพศไดู้เสหวังเป็นพระปเกับพระรมารพุทธเจ้าเลยยังมาเปลี่ยนเพศพระพระปฏิเกพระรมารพุทธเจ้ามาจงเปลนผู้ทรายได้เปลี่ยนเพศผู้หญิงได้ ขณะว่าไว้จากมาเปลี่ยนเพศมาเป็นพระปัจเจกวาสนาพระพุทธเจ้านอาจากอธิษฐานมากินสบัดนี่ยังนผู้ชายเลยม่เป็นทุกข์ขึ้นจะตายขึ้นกันจาเดียวว่าไปดูพระนิพพานหลดนไปสิริจิวเหาแม่ของพระองค์เจ้าก็่ที่ไปพร้อมพระชี้ย่าเมียตายมาปัดชนะเป็นแม่พระเจ้าหาพระองค์เนี่ยเป็นมาแล้วชี้พระองค์มาเป็นแม่พระเจ้าเนื่องแต่พระ เชียเมตไตถ้าเป็นแม่พาสิชเมตไตเองเหครับเขาสู้เขาไม่ผ่านความพ้าเชียเมตไตเาสนั่นและศา ส, า ส, า ส, าสาเดียวกันก็บหลุดได้งดขี้ละจ้างมันไหวอยู่นะมัน่งขี่ละ นนจา้ า, า, จางให้มันดูน้ำนั่นอ่ะนั่นอันนี้ยังเพ่าน้ำจ้างให้ถาถ่าจ้างให้มันดูน้าคือเล็กน้อยแล้วละละออยยร่าไกายอยุผมยักระเด็นขึ้นเนื้อหนังก้นให้กินห้เขาเอาเขาให้กินมือห้นกินมือเท้ทาขอเขามอตัวหนึ่งสองเท้าสามเท้า พูดซื้อเส้นหาซือเส้นแปกันหลังงเตือไกินสองเตืออะไรอยู่สองกุ้งเทียงตับายจะได้กินซื้อซืเส้นแปดให้ราบฝากให้มันดียังม่กินอาหารขันไม่กินอาหารด้่ะถ้าไปกินกินน้ำเนียเหมือนแร่งเลมันเป็นอวบเส้นแปดมันมันดางมันพล่อยเพราะชิ้นคอเนี่ยคอวิคาละโพนเนี่ยทานอาหารเวลาเวลากาเนี่ยเป็นเกี๊ข้าบดเื่อมันไม่เกียจตาเลย เป็นอกคิตะครเฮ้ยพาวนาเนี่ยจับอันนั่นแหละซีนมันไปร่วมอยู่บนภาวนาเนี่ยพอวนา ธาตุมันก็ดร่วมอยู่บนหาวพาวนายังาพาวนาสมาธิมันกิรวมอยู่บนทาวาวนาาาวนาสีมันก็ร่วมอยู LINKE ่บนห้าวพาวนาห้าวพาวนาธาตุมันก็รวมอยู่หันมันเกิดร่วมบนหลักรวมอยู่บนหาวเพ่งภาวนาอยู่ผเขอมันเหตุข้ามันกับอะไรผเของมันกับอะรมันร่วมอพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับรวมอยู่หันพระธรรมทั้งหลายกับร่วมอยู่หันพระอริยสทั้งหลายกับรวมอยู่หันมรคผในขั้ทั้งหลายกับร่วมอยู่บนท้าวพาวนาบอกสารนรกว่า มาทำเพลงด้วยมาทำกำหนดด้วคือกำหนดลงอมใจะเขาออกมบททบนไหนระบไหนวัห็นพระพุทธธมประสงค์กรบนวันวันด้วยบนสติกับสัมปชัญญะพระทธธรรประสงค์รสศาสต์ของธรรมะกรยบนกับสติกับสัมปชัญญะมโตัวายลดศาสตรของธรรมะ ลมห้ใจเขา อ, ออกนี่ใครเจริญดีแล้วกายได้จิตของท่านผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหว้ละพปูทธเจา้าโู้มื่คิดยกสีดคนบ่าใครภาวนาเนี่ยยังหัวพ อ, พองนี่เงื อ, อกไปเลยันวี้ยังตบตุ้งตุ้งสีรนคนพ้างเถิรจากภาวนาเนี่นะ โตเคยเป็นจนมันหัวเลาะหัวเลาะพลเอกจันเนบเวนในน้องในน้ท่านพลเอกจันท์เนบเลาให้ฟังเดินคนไปดีๆพัดนันอาตะคดแอวัดนาตะคดไม้กันันพัด ล, ล, ลดลงมาเต้นลงาแต่ราันหยอแข่งพัดนันโตแ้วไปหัวห่อยหัวเลาะพนดนมเปลี่ยนอีกละตอะไรฉะ น, นั้นใจมากครับิเีย์อดอกาอาตะคดแ อ, อมมันอยากมื่นเด นะใบยาว ไ, ไปมาไม่ได้ผูกงิ้นถ่ายรอดเนียผูกทบมั่วเลยคือผูกทบไวมันจะลดลงที่ลดลงเกี่ยวขาที่บ้ น, นีเต็มด้งเลยว <c oughs> ่าจะเปงน้กเกี่ยวขา <c oughs> ตัวเขาเป็นเช่ น, นึงเป็นต้นตัวของว่าละเพื่นนึะเดี๋ยวนีเขาเป็นเรกเดียวนี้เอาแล้วเ น, นาะวานนี้เนาะดี่เขาแบบแยกขาจะบิดกั น, น, นอเอาะ ภัพระริยะสองเจ้าฉีรถเนี้ยรถหยียบยำชมนําลายค่ายนะหมูกใส่อยู่ถูกเงาบ่มีประมานตามเจเท่าเข่าสู้พระนิพพานคนจากทุกนาวตตาท้งสารอยู่ถูกเงือบ่มีประมานก็ขาดเทินมั่นกบฏเท่านั้นการเถีงว่าพุทธธรรมประสงค์กบฏหาถึงแต่ว่าภาษาบางที่ภาษามากดยังหรอกเอาภาษาไทยเข้าเนี่ยภาษาไก่เข้านี่ยนะคักปัญญัง อั น, นันว่าเป็นระเบียบก็ใอกทุกทีตติทุกทียำปตาติยำปเมื่อวา่ททตาติําปีแล้วถึงก็ทุกมืองอาคนว่ามันถึงสามเถื่อนนั่นเด้ถึงทุกมืงกงมองนันเรื่องไดเรื่องใดก็ได้โพคาจองขาดของสันอ น, นันว่าเพื่อเป็นระเบียบใบในสังคมเพื่อหมันแล่งง่ายก็่อกครพราะมันกรรันแล่วเพเปลียนกัเม่วาคำเม่าถึงสามเถื่นกับผู้เหนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสามเทือ่อเอา ข้าพาวนาข้ากบวาทั้งสาเทียกัได้พุทโธธรมโอเขร่วมมีหันสังโคเขร่วมมีหันนี่บลาสขาพาวนาเนี่ยพุทโธแปลระบาบบำเพ็ญบุญธรมโองไหมสิ่งระบาบบำเพ็ญบุญสังโคปฏิบัติะบาบบำเพ็ญบุญาเลยาวนาถ้าพุทโธนำนันกะือขึ้นกันอนันดัดนันดัาวนาน่ยดขยายออกค้ากบวาพิสดาร้ากบวาพิสดารขากบวาย่อ ก็บอกองก็มีข้อหมายอันเดียวกันคือฮว่าเคยเห็นนาเห็นตากันนี่แหละเคยเห็นนาเห็นตากันบ่ฉันเคยเห็นอยู่ฉันก็เคยเห็นนาทั้งนาทั้งตาทั้งแก่ห่างหมู่บานหน้าหลายๆื่คือทั้งจมูกคู่หน้าเห็นกันเคยเห็นนากันอยู่ฉันส่วนไหนคือการฮวาพุ้โทษทำโมกแกลนยุ่มมาใส่กันเป็นเสือสามเกี่ยวพุ้โทษทำโมสังคนเข้าชีวาสามเชือเข้าขบ้าสงสัย เขาสีว่าอย่าบัดมือเขาาประสงสัยเขาที่อ่านโจนบพระไตรปิฎกเขาประสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยทธะเขาที่อ่านตังแต่นนอยพุทธทอดโมทังข้อนัเาสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยเทเสียเกได้ไ่กได้กระตางขั้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของก่งของม่อยุทุกมมมาาสันเอารสทางไหนมาทางไหนพระน้าพุทธ โน้มีอันตรายใะไรๆท้งนเห็นเออแค่พ้อยใจมาลเลยบุญเบื้องต้นพระพุทธศาสนาสอนในธรรมะหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเมื่อสอนทำให้ธรรมะหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบนะครับสอนให้เรียบเร่งปฏิบัติสินธรรมไว้ในเจ้าของเพื่อให้เป็นที่เพิงของเจ้าของ พากันมีสินหาให้บริบูรณ์ให้ถึงพระโสดาบันซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้าเันว่ะพวกที่เรียนเลขเรียนพลาเรียนบัตรเรีนบือนยังมาท่านในปิดอบายอยพูมได้หายยังเปิดไว้อยู่ยังเปิดไว้อยู่ บายพระพเปิดเหล็กปิดผ้าปิดบัตรปิดเบือบ่ถือศาสตาอื่นถือเจ้า พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพลิงยางเดียวไหวได้หัวใจเก็บป่วยมากกะหายา ม, มากกินมากสันมาท่ามาพ่อกหายก็หายบ่หายก็ย่ยยอมตายมันไปตัว่าผีตัวนั้นมาเห็ดผีตัว น, นี้มาทำ มหันธ์ถือยนือ้อเลือดดีย่ามดีวันไห น, น, น, นก็ดีมัดย่ามไหนก็ดีมัดกัะน้าเห็นดียามทั้งหลายมาได้มาดีมาสัวน้าเข้าย้ามห้องเียห้อใจห้องท่านต่านะท่านท่าคนขับว่าย่ามเข้ามาดีพระั่านผู้เพื่นเป็นเศรษฐีเพื่นก็ะเป็นอยู่ผู้เพื่นถึงพระสทัสดิ์อันชะกฐ า, า, าข้ามีญ า, าข้ามีเพ่อนก็ถึงอยู่ขับว่าย่ามมาดีพระท่น บอกนั่นกับรถตําแหน่งว่าเป็นพุทธส้นข้นหนาสกก้อนขนมีเป็นเศรษฐีก็อว่าเป็นข้นจนสักก้อนหัวมือมันดีจังค่อยเลือนขึ้นเป็นเศษนเรษฐีขัน ม, าากกนมือได้มันดีเปลือกตมือละหกกระขืนมาสักก้อนมือได้มัดีจังไปตกของแม่นหม อ, ออันนั้นไม่เป็นเรื่องของภ า, า, าพศ า, า, าสนาภาพนี่สช่หอกันศาสนาเสยศาสตร์พระพุทธเจ้าสอนบ่ายถือมงคลตื่ข่าวให้เชื่อกำไม่เชื่อมงคล แม่แสวงหาเกีตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ใ น, นพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติทาประการและเว้นจากวิบัติทาประการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าเป็นสอนงูเห่าไผยที่ไปสอนดีไปพระพุทธเจ้ามันจะไม่บห้มาได้ไตโลกาธานเขาเลี่ยมกลางพนิชซื้อหรอกงูเห่ามีจะเอามาปฏิบัติเอาจะซื้อเพิ่งรงทุนลงแห้งสร้างบัตรล้ม่ให้มา เที่อาสงไข่แสนมาหากรัปเพื่อจะขนลือมูเฮ้าออกกะว่าจะสงสารตามสติกำลังของตนเพิ่นเอาหม้ดกให้มูเฮ้าเพราะอยากได้ร้ายก็เอาร้ายพรอยากได้น้อยก็เอาน่อยมดว่าเป็นว่าคือปันให้ปันหน้าเขาปันให้ปันหน้าให้กันเงก่นเอาร้ายไปร้ายกับมุขผู้อื่นมาได้อันนั้นว่ารอว่าเด้ว่าให่มักเท่าไรเอาแห้งจะคล้องมีอมชัดท่าจะคล้องมีปันหน้าจะคล้องมี่ ว่าไงนักมันมึนขาลรานั่งดูผู้ใดกคให้ภ า, าวน่าททพุทโธให้ภาวน่าททพุทโธู้โดยผู้ใดก็ให้ภาวน่า ลมหายใจเข uh. Shot, าออกใหลผ้าหาน่าลมหายใจเขาออกเมื่อไรค่อยภาวนาความตายหลผ้าหนาความตายความครับลมหายใจเขาออกพระพุทธเจ้าพเดินมาระลึกความถึงความตายนี่ระลึกความทุกขลมหายใจเขาออกแหงใดบุญหลายพระอานุนระลึกถึงความตายมือละลอยข้างพระพุทธเจ้าว่าเอยมันยั่งประมาทอาอย่างนั้นระลึกถึงทุกข์ลมหายใจเขาออกจห่งใดบุญหลาย ผู้พิยนาของทุกกับพิจนาเห็นพร่อมกับร่มหายใจเขาออกผู้พิจนาอันนี้จังเขาเห็นหายมันพิยนาพ่อมกับร่มหายใจเขาออกผู้พิยนาอนนัตตาอันว่ามันซับพนั้นณุขก้นเขาเห็นพ่อมกับร่มหายใจเขาออกผู้พิยนาถัดดินน้ำไฟร่มเป็นทกว่าดินว่าน้ำว่าไฟว่าร่มมาทั้งเห็นพ่อมทุับร่มหายใจเขาออกเพราะมันจังมาเป็นวาวเสื่อขาดมันจังมาปิวไปตามร่ม ร้องเีมากวะร้องีากอลครับคอมันหักคอมันสื่อว่าถือสื่อคอมันสื่อคอไปพอยโปปดมาแล้วหักําลังทิฏฐายไม่คอรับว่าทัพย์มันสังขารเกิดขึ้นมาแล้วกรับแย่ปูนแล้วแตกสลายเลยย่งมาท่านนี้แล้วคักกระเพรไปเสรืองนาอะไรละ สอมแช่มเนี่ยทุกวันทุกวันถ้ากลั่นกายกับส้อมแช่มเนี่ทุกวั น, วนลลสอมแชม่มเข่าสอมแชม่มน้ำซ้อมแช่มดินสอมแชม่ ม, แช ม, ม, แชมไฟหมผาเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุไฟกินเขา่าเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุดินกินน้ำเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุน้า